บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปพุทธานุสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณของพระพุมีพระภาคจากในข้อต่อไปนั้นได้แก่อนุตโรโรบริสธรรมสารติที่แปลเป็นใจความว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่าในชั้นของการกำหนดระลึกนั้นท่านแนะให้บุคคลภาวนาบทว่าอิติปิโสปกว่าอนุตตรโรบริสธรรมสารถิเพื่อให้จิตใจมีความสงบอยู่ในพระพุทธคุณบทนี้ แล้วความสงบจะคืบคลานขึ้นโดยลำดับจนเข้าหลักของสมาธิทั้งสามประการอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในชั้นของการพินิษพิจรารณาเพื่อจะเพิ่มพูนศรัทธาประสาธรและการน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อสัมผัสคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าในข้อนี้ด้วยใจของตนนั้นจำเป็นที่จะต้อง ทำความเข้าใจรายละเอียดถึงความหมายแห่งพระพุทธคุณบทนี้พระพุทธคุณบทว่าอนุตตรโรปุริสมมสารติข้อนี้มาลีท่านใช้คําว่าเป็นเนมิตกะนามคือเป็นนามที่เกิดขึ้นด้วยคุณสมบัติของพระองค์คุณสมบัติของบุคคลทั้งหลายที่ได้กระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งไว้เป็นที่ประจักษ แก่ใจของบุคคลทั้งหลายแล้วได้รับจกจ่องด้วยชื่อด้วยเสียงด้วยฐานะนั้นๆท่านเรียกว่าเป็นเนมิตตกนามนามที่เกิดขึ้นโดยอาศัยคุณธรรมความดีเป็นเครื่องก่อให้เกิดขึ้นสมาบุคคลผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าทรงสามารถ ในการฝึกบุคคลทั้งหลายทั้งที่มีอัธยาสัยหยาบช้ากะดังให้ใคลายพระยศรายกลายมาเป็นสุจริตชนกลายมาเป็นกัญญาณชนและเป็นพระริยชนได้คนบางคนดื้อรั้นด้วยทิฐิมีประการต่างๆแต่ด้วยอาศัยพระปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สามารถฝึกปลือบุคคลเหล่านั้น ให้ละคลายทิฏฐิที่เคยยึดเคยถือยอมตนประพฤติปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนสัมผัสคุณในด้านต่างๆจนถึงเป็นพระยะปุกคคลก็มีอยู่เป็นอันมากบางครั้งบางคราวแม้เป็นสัตว์ร้ายเช่นช้างนาลาคิรีหรืออนันตนาคราชแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงฝึกทรงทรมานสัตว์ร้ายเหล่านั้น ให้กลายเป็นสัตว์ที่เชื่องไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่บุคคลทั้งหลายได้ด้วยประคุณนสมบัติเหล่านี้เองทำให้พระองค์ได้รับเฉลิมพระนามว่าอนุตตรโรปุริสดาปัสารติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีหลักในการฝึกบุคคลอย่างไรข้อนี้ถ้ามองย้อนไปถึงก่อนการตัดสินพระไทยจะแสดงปฐมเทศนา ของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้ทรงจำแนกสัตวรโลกออกเป็นสีประเภทด้วยกันประเภทแรกเรียกว่าอุ ก, กติตันยูคืออาจที่จะรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะได้เพียงแต่ยกหัวข้อธรรมขึ้นแสดงเท่านั้นบุคคลประเภทนี้เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่มาพนน้ำรอคอยแสงพระอาทิตย์เมื่อต้องแสงพระอาทิตย์แล้วก็จะบาน บุคคลอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าวิปจิตันดูคือจะต้องอาศัยอาธิบายข้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นเสียก่อนก็จึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจและมีผลในด้านจิตใจของเขาซึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่มาเสมอน้ำรอคอยที่จะบานในวันต่อไปบุคคลประเภทที่สามเรียกว่าเนยยะ จะต้องอาศัยการเวลาอุบายวิธีในการอบรมชี้แจงสั่งสอนเขาเหล่านั้นจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งเ ป, เปรียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมาปริมปริ ม, รมน้ำเราคอยโอกาสที่จะบานในวันต่อๆไปบุคคลประเภทที่สีนั้นเรียกว่าปะทะประมะที่แปลว่ามีบทเป็นอย่างยิ่ง อาจจะเรียนอาจจะรู้อาจจะฟังได้แต่ไม่สามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เต็มตามที่ประสงค์ในการแสดงธรรมะแต่ละครับเนื่องจากบุคคลมีพื้นฐานทางบารมีและอัธยาศัยที่แตกต่างกันเช่นนี้บุคคลทั้งสีประเภทซึ่งเปรียบด้ยดอกบัวสีเหล่านั้นจึงแบ่งออกเป็นสามชุดด้วยกัน ตามลักษณะของประโยชน์ที่ทรงมุ่งหมายจะให้เกิดแก่สัตว์ัวโลกคือคนบางพวกที่อยู่ในชั้นของบา ร, รมีธรรมสูงส่งพอที่จะเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติจนจนสัมผัสอริยคุณในพระพุทธศาสนาได้ก็จะทรงแสดงปรับปัตยายสายอินทรีย์ของบุคคลนั้นไปเรื่อยๆจนถึงบรรลุอริยคุณในศาสนาเรียกว่า เข้าถึงปรมัตประโยชน์ประโยชน์อย่างสูงสุดแต่คนบางพวกนั้นพื้นอัตยาศัยบารมียังไม่แก่กล้ามากพอที่จะเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติได้เช่นนั้นก็จะทรงกําหนดเป้าสูงสุดไว้ที่สัมปรายิกถาประโยชน์คือประโยชน์ที่เขาจะได้ในวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าตลอดถึงชาติหน้าโดยการแสดงธรรมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ยากเกินไปสําหรับบุคคลเหล่านั้น ที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติผู้คลอีกกลุ่มหนึ่งไม่อาจแม้แต่จะประพฤติปฏิบัติในชั้นนั้นแต่เพื่อให้เกิดผลคือความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตปัจจุบันของเขาและเป็นการเพราะเชื้อคุณธรรมความดีขึ้นภายในจิตของเขาเหล่านั้นก็จะทรงแสดงธรรมะเน้นหนักไปในประโยชน์ที่เป็นทิฏฐธรรมคือประโยชน์ที่เขาจะได้ในปัจจุบัน และเมื่อบุคคลสามารถปรับตนให้สัมผัสประโยชน์ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามก็จะเป็นบันไดที่จะทำให้เขาเก้าวไปสู่การประพฤติปฏิบัติในชั้นที่สูงขึ้นไปเพื่อประโยชน์ที่สูงขึ้นอย่างเช่นคนที่สามารถปฏิบัติตามหลักของประโยชน์ในปัจจุบันได้เมื่อปฏิบัติไปแล้วอินทรียบารมีก็จะแก่กล้าขึ้นการปฏิบัติในเรื่องของ เสริมสร้างศรัทธารักษาศีลบริจาคและเสริมสร้างปัญญาก็จะติดตามมาช่วยให้เขาสามารถสัมผัสประโยชน์ที่เป็นสัมพรายกัตประโยชน์ได้การแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการจำแนกระดับคนออกเป็นสีประเภทดังที่กล่าวแล้วนั้นมุ่งจะให้เกิดผลประโยชน์แก่บุคคลในสระดับด้วยกันคือประโยชน์ในปัจจุบันภายหน้า และประมัตรประโยชน์องค์จึงมีหลักในการแสดงธรรมะสามหลักด้วยกันหลักแรกคือทรงแสดงธรรมะเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและอาจรู้อาจเห็นได้ซึ่งก็หมายความว่าคนแต่และคนนั้นอาจรู้อาจเห็นธรรมะแตกต่างกันออกไป บางคนที่มีบารมีแก่กล้าเป็นประเภทอุกติตนอยก็อาจรู้อาจเห็นธรรมะที่ประณีตสูงขึ้นแต่ว่าคนบางพวกไม่อาจที่จะรู้ธรรมะเหล่านั้นพระองค์ก็แสดงธรรมะคล้อยตามอัธยาศัยของบุคคลซึ่งมีแตกต่างกันออกไปการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นจึงมีการตรวจสอบด้วยภยานของพระองค์เสียก่อน ที่กล่าวโดยสรุปก็คือเป็นพุทธยานเป็นญาณของพระผู้มีพระภาคเจา้าสิ่งที่จะต้องสวจสอบนั้นโดยทั่วๆไปก็จะมีอยู่สามหลักด้วยกันหลกักแรกคือการสวจสอบความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลดอกนั้นคือความแก่อ่อนของศรัทธาวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจมัน่น และปัญญาความรอบรู้ของบุคคลผู้นั้นว่าบุคคลเหล่านั้นมีส่วนใดที่ยังบกพร่องมีส่วนใดที่ใช้ได้แล้วก็จะแสดงธรรมะในลักษณะอบรมบ่มอินทรีย์ในจุดที่บกพร่องอยู่ตามสมควรแก่ความแก่อ่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นและข้อที่สองก็คืออธิมุตได้ แ, แก่ดพื้นเพออัธยาศัยของบุคคลแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน อธิมุตินี้บางครั้งก็รวมถึงจริตที่เรย์จำแนกออกไปหประเภทดังที่เคยกล่าวมาในตอนก่อนกอดด้วยเราจะสวจสอบความแก่อ่อนแห่งฌานสมาธิที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าคนบางคนนั้นมีอินทรีย์แก่กล้าบอธิพื้นเพอัธยาสายดีฌานเป็นต้น มีความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์การแสดงธรรมก็ง่ายสมาบุคคลเหล่านั้นเมื่อพระองค์มีเครื่องไม้เครื่องมือในการแสดงธรรมเช่นนี้ก็จะแสดงธรรมเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นเพอัตยาศัยตามความแก่อ่อนอินรีและตามความแก่อ่อนของสมาธิและฌา์เป็นต้นของบุคคลเหล่านั้นเช่นเวลาแสดงแก่พระภิกษุปัญจวคีซึ่งมีความไม่เชื่อ พระพุทธเจ้าในตอนนั้นแม้จะรับสั่งบอกกล่าวว่าได้จัดสรู้แล้วก็ตามแต่ว่าท่านเหล่านั้นยังไม่มีความมั่นใจมากนักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รอคอยสัตทินสีคือความแก่กล้าของศรัท ธ, ธาเสียก่อนพระินทร์สีส่วนอื่นนั้นไม่มีปัญหาอะไรและเมื่อท่านได้ปรองใจเชื่อลงไปแล้วจะเรียกว่าอันติโมกคือน้อมใจเชื่อแล้ว พระองค์ก็แสดงธรรมะในลักษณะที่ต้องใช้ปัญญีสีสูงคือใช้ปัญญาเป็นเครื่องวิพินิษฐพิจารณาควบเจาะแล้วก็เหมาะสมเก็บคื่นเพอัตยาัยของท่านพระท่านมีความผักไฝ่มีความใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นมาเป็นเวลานานเรื่องที่ยกมาแสดงถ้าหากว่าสามัญชนคนธรรมดาทั่วไปก็เข้าใจไม่ได้ คือทรงเริ่มด้วยทางที่ไม่ควรเสพสองประการได้แก่กามาสุขันริการ โ, โยกคือการประกอบตนให้ผัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรามด้วยอำนาจแห่งกิเลสกรมทั้งหลายโดยทรงเชื่เห็นว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นของต่ำเป็นเหตุตั้งบ้านเรือนเป็นของคนที่มีกิเลสนะเป็นการกระทำที่ไม่ประเสเป็นการกระทำที่ไม่เประเสฐและไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาซึ่งแน่นอนเลิศเกินว่า คนที่จะพิจารณาเห็นได้ทั้ง5าจุดเช่นนี้จะต้องมีความรอบรู้และมีประสบการณ์ทรงในเรื่องนั้นมาเป็นพิเศษปัญญิียีของท่านเหล่านั้นแก่กล้าดีอยู่แล้วเวลาแสดงเข้าก็เกิดความเข้าใจและทรงแสดงทางอีกทางหนึ่งที่เรียกว่าอัตกิลมัทฐารโยคคือการทรมานตนให้ลำบากด้วยประการต่างๆเพื่อต้องการให้จิตเป็นอิสระ จากพันธนาการแห่งกายในข้อนั้นทรงชี้ว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นของประเสริฐและไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาซึ่งท่านปัญญวคีีก็พิจารณาคล้อยตามเห็นตามไปได้เช่นเดียวกันแลต่อจากนั้นก็มาทรงแสดงธรรมะที่จะทำให้ที่ทำให้พระองค์ได้จัดรู้มาโดยํำดับในที่สุดแห่งป ร, รมเทศนาจึงเกิดผล แกท่านปัญจวัคีโดยท่านโกนทัญญาผู้เป็นประธานของปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมมาสรุปความเห็นทั้งมวลในโลกทั้งปวงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดาก็ น, นี้จะเห็นได้ว่าความรู้ความเห็นในลักษณะนั้นท่านใช้คาว่าดวงตาเห็นธรรม ได้แก่การเห็นด้วยปัญญาประจับแจ้งถึงสปปรรพสิ่งในโลกเพราะสรรพสิ่งในโลกนั้นจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภูเขาต้นไม้ก็ตามเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยสิ่งนั้นก็จะต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเป็นการถ่ายถอนความยึดความถือในสิ่งต่างๆว่า ของเราเป็นเราและเป็นตัวตนของเราลงไปได้แต่ว่าเวลาไปแสดงแก่บุคคลอื่นเช่นว่าประยสระซึ่งเป็นชาวบ้านธ ร, รมะก็เริ่มไต่อันดับไปโดยลำดับจากเรื่องสามัญธรรมดาทั่วไปที่ท่านสามารถจะเข้าใจได้โดยเริ่มมาจากทานจากศีลและเรื่องสวรรค์คือผลที่บุคคลจะพึงได้จากการให้ทาน และการรักษาศีลแต่เนื่องจากธัญญาศาสตร์นั้นเป็นผู้มีบารมีประเภทที่สองที่เรียกว่าวิปจิตัญญูต้องอาศัยการแนะนำพร่ำสอนก็จะได้บรรลุกุณพิเศษได้เมื่อทรงบรรยายถึงความสุขในสวรรค์โดยวิจิตพิสดารแล้วต่อแต่นั้นก็เริ่มเชี้ยเห็นว่าความสุขชั้นที่เป็นโลกิยะทั้งหมดนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขของมนุษย์ หรือที่เบียสุขหรือแม้พรมาสุขก็ตามยังเป็นความสุขที่เป็นไปในวัตตะมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนปรากฏเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปและด้วยกระแสะแห่งกิเลสแห่งกรรมที่บุคคลได้สะสมและกระทำไว้ก็จะทำให้บุคคลหมุนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอีกต่อไปทำให้ท่านเกิดความสนใจที่จะสแสวงหาทางหลุดพ้นต่อแต่นั้นก็ทรงส ด, ดง การทําจิตของตนให้ออกจากกิเลสสกามมีความโลภความรักความใคร่ความปรารถนาความพอใจเป็นต้นจนถึงสามารถทําลายบรรดากิเลสออกไปได้เมื่อแสดงฟอกจิตมาจนถึงจุดนี้อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าธรรมะนั้นเป็นสันเลขะคือจะทําหน้าที่ขัดเกลาจิตขัดเกลากิเลสที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลไปโดยํารับถ้าเห็นว่าขัดเกลากได้ เหมาะควรที่จะรับธรรมะบึ้งสูงขึ้นไปก็จะแสดงธรรมะบึ้งสูงขึ้นไปอย่างพร ะ, พระยาศานั้นจิตใจท่านเหมาะควรก็ทรงแสดงอริยสัจทั้งสี่ประการในที่สุดก็บรรลุมรรคผลไปได้ในขณะเหล่านั้นนี่คือบุคคลประเภทที่เป็นดอกบัวพ้นน้าและดอกบัวที่ปริ่มปริมน้ําอยู่ที่ดอกบัวที่ขึ้นมาเสนอเสมอน้ําแล้วแต่มีบุคคลเป็นอันมาก ที่ไม่อาจจะเรียนรู้และเข้าใจธรรมะลึกซึ้งได้ขนาดนั้นก็จะปรับธรรมะที่ลดหลั่นลงมาซึ่งเมื่อเขาฟังไปแล้วเข้าใจได้คิดตามได้เห็นคุณของธรรมะเห็นโทษของการไม่มีธรรมะได้และจะน้อมนําธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติอย่างบุคคลที่เป็นสามัญชนทั่วไป ก็จะเน้นธรรมะที่จะให้เขาเห็นคุณค่าในปัจจุบันเพียงแต่น้อมนำไปคิดเท่านั้นดังนั้นธรรมะเหล่านี้จึงอำนวยผลให้เฉพาะบุคคลอีกระดับหนึ่งเช่นทรงแสดงเรื่องหัวใจของเศรษฐีที่เรียกกันว่าทิฏฐธรรมิกธรรประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงเห็นได้ในปัจจุบันราะคเราจะตั้งตัวเป็นหลักฐานได้มีความสุขของกฤหัต คือสุขจากการมีทรัพย์ใช้จ่ายทรัพย์ไม่ต้องเป็นหนี้และมีการงานที่ไม่ปราศจากโทษนั้นก็จะต้องอาศัยความหมั่นขยันในการทํากิจการงานเมื่อขยันทางานมาแล้วก็ต้องรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติเอาไว้ในการเกี่ยวข้องคบหาสมาคมกับคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตทั้งด้านดีและด้านไม่ดีก็ต้องให้คบหาสมาคมกับคนดี การซื้อหาจับจ่ายเลี้ยงชีวิตก็ให้ซื้อหาจับจ่ายตามเหมาะตามควรแก่ความจำเป็นและแก่รายได้ที่ตนมีอยู่เป็นต้นซึ่งเมื่อคนได้คิดตามพิจารณาตามไปแล้วก็จะเกิดความเห็นตามคล้อยตามได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ดังนั้นในตอนต่อไปท่านจึงแสดงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมีเหตุที่ผู้ฟังอาจซองตามให้เห็นจริงได้ ให้เหตุของธรรมะนั้นก็ต้องสวจดูอุปนิสัยของคนแต่ละคนดังที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะจิดซองเหตุของธรรมะได้ในระดับเดียวกันคนใดาสามารถเข้าใจเหตุผลในชั้นใดก็จะทรงแสดงเหตุในชั้นนั้นมว่าจะเหตุแทงทางเสื่อมหรือเหตุแ่งทางเจริญก็าตามข้อนี้ลองสังเกตว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคือเรื่องของเหตุผลทั้งหมด อย่างในอริยสัจสีที่รู้กันโดยทั่วไปนั้นเป็นการแสดงในรูปผลเหตุผลเหตุคือแสดงผลก่อนแสดงเหตุทีหลังแสดงผลก่อนแสดงเหตุทีหลังอริยสัจสีจึงเป็นธรรมะสองเหตุสองผลการแสดงธรรมะในรูปของการชี้ผลก่อนนั้นในกรณีที่เป็นผลซึ่งบุคคลไม่ต้องการปรารถนาเวลาฟังไปพิจารณาตามไป บุคคลก็จะเกิดใส่ใจถึงสาเหตุที่ให้เกิดผลอันไม่พึงปรารถนาเหล่านั้นเป็นการโน้มน้อมจิตใจของบุคคลให้สงบอยู่กับกระแสธรรมะที่ทรงแสดงเพราะฉะนั้นเวลาชี้แจงทุกขในอริยสัจจึงทรงชี้แจงที่บุคคลคิดเท่านั้นก็เห็นได้ว่ามันเป็นทุกข์จรงิงๆเพราะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตของตนทําให้จิตใจของบุคคลใส่ใจถึงสาเหตุที่มาของความทุกข์นั้น เมื่อจิตของเขาพร้อมที่จะคิดพร้อมที่จะพิจารณาก็ทรงสดแสดงหลักของสมุทัยอริยสัจซึ่งเป็นสาเหตุของความทุกข์ต่อแต่นั้นก็ทรงสแสดงความดับทุกข์ที่เรียกวันิโรธซึ่งมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความประณีตเป็นผลที่ผู้ฟังแล้วคล้อยตามเห็นตามอยากได้ปรารถนาที่จะสัมผัส ผ, สผลเหล่านั้นก็คิดหาว่า คนปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรจึงจะสัมผัสผลเช่นนี้ได้เมื่อจิตใจของบุคคลพร้อมก็จะทรงแสดงเรื่องของมรรคมีองค์8ประกันการแสดงธรรมะแนวนี้จึงเป็นการกระตุ้นจิตใจของบุคคลอยู่ตลอดเวลาเพราะแสดงเหตุผลที่ไม่พึงปรารถนาก่อนและแสดงเหตุที่ให้เกิดผลเหล่านั้นแสดงผลที่พึงปรารถนาก่อนและแสดงเหตุที่ให้เกิดผลอันพึงปรารถนาเล่านั้น บางครั้งบางคราวก็จ ะ, สะแสดงธรรมะในรูปที่เป็นเหตุเสียก่อนเพื่อให้บุคคลกลัวผลอันจะพึงบังเกิดขึ้นซึ่งธรรมะในลักษณะเหล่านี้เพียงแต่คิดน้อมนึกเข้ามาหาตัวเท่านั้นบุคคลก็จะเห็นได้อย่างเช่นสแสดงโทษของการฆ่าสัตว์สแสดงการฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการมตามสูตรของศีลแนวความคิดเหล่านี้เพียงคนพินิตรพิจารณาก็จะเห็นได้ ต่อจากนั้นจึงแสดงให้เกิดอุตสาหะที่จะละเว้นไม่ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นจนถึงกับขอสมาทานศีลไปเพื่อยุติเวรภัยแอนเกิดขึ้นจากการ <c oughs> จากการประพฤติล่วงศีลทั้งห้าประการเป็นต้นติกในยะหนึ่งนั้นตมะที่ทรงแสดงจะมีลักษณะเป็นปัจจัยหนุนกันอยู่ตลอดไปคือหมายความว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ และในขณะเดียวกันเมื่อมีข้อหนึ่งแล้วก็จะเป็นการเพิ่มพูนอีกข้อหนึ่งต่อไปเช่นส่งแสดงทางแห่งความสำเร็จในกิจการงานต่างๆไม่ว่าในชั้นใดก็าตามโดยสงชีพไปที่ความสมบูรณ์ด้วยอิทธิบาทภาวนาทั้งสี่ประการที่จริงตัวอิทธิบาทนั้นเป็นอิทธิบาทภาวนาเรียกสับเต็มแล้วท่านเรียกชื่ององธรรมว่าชันทะ สมาธิปทานสังขารคือเป็นการปรุงแต่งทำให้เกิดตั้งมัน่นโดยความเพียรพยายามแล้วก็สร้าง ฉ, ฉันทะคือความพอใจในกุศลธรรมให้มั่นคงขึ้นภายในจิตใจแต่ก็นำมาใช้ในชีวิตทั่วๆไปในกิจการงานทั่วๆไปได้โดยไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์ด้วยองค์ธรรมดังที่กล่าวแล้วเรือให้มีเฉพาะฉันทะความพอใจในกุศลธรรมในความดีอย่างเดียว ผลก็จะบังเกิดขึ้นได้ในจุดนั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนเรามีชั้นทะอยู่เฉยๆผลที่มุ่งหวังจริงๆก็เกิดขึ้นไม่ได้จะมีก็เพียงลักษณะสร้างวิบากในอากาศมีความฝ่ายฝันมีความทะเยอทยานอยากได้อย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากมีอย่างโ น, น้นแต่ไม่ประกอบเหตุขึ้นก็ทรงแสดงธรรมะที่เป็นตัวหนุนคือวิริยะความเพียรพยายามเพื่อจะให้เกิด ผลคือสิ่งที่ตัวพอใจขึ้นมาและในความเพียรพยายามนั้นความเพียรมีทั้งทางถูกและทางผิดก็ต้องมีจิตตะคือเอาใจใส่ว่าความเพียรออกไปนอกทางแล้วไม่หรือความเพียรเหมาะควรอย่างไรเหมาะสมกับกิจการงานงานนั้นเราเหล่านั้นหรือเปล่าเป็นต้นและให้มีปัญญาเป็นเครื่องพินิษพิจารณาปัญญาในชั้นนี้ทรงใช้คําว่าวิมังสาคือเป็นการสอดส่องเป็นการวิเคราะห์วิจัยโดยละเอียดท่องแท้ ซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็หนุนกันอยู่ตลอดไปลาเมื่อบุคคลพิจารณาถึงเหตุแห่งธรรมะซึ่งทรงยืนยันผลนว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำบุคคลให้ประสบความสมเร็จในกิจการงานที่พึงประสงค์เป็นต้น mm. ก็พิจารณาตามได้ดังนั้นองค์คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งมวลไม่ว่าในส่วนที่จะพึงละในส่วนที่พึงกาหนดรู้ และในส่วนที่พึงน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติก็ต่างเป็นความมหัศจรรย์แห่งธรรมะเหล่านั้นคือมีผลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมเหล่านั้ น, ค, มม ค, น, นคือหมายความว่าถ้าทําผิดก็จะต้องออกมาในรูปของความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าทําถูกก็จะออกมาในรูปของความสุขความเจริญถ้ากําหนดรู้ไว้ได้เข้าใจไว้ได้ก็จะไม่หลงไม่ยึดติดอยู่ในเรื่องเหล่านั้น ดังนั้นหลักการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าในข้อที่สท่านจึงแสดงไว้ว่าทรงแสดงธรรมเป็นอศัศจรรย์คือผู้ประพฤติธปฏิบัติจะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติธปฏิบัติซึ่งเป็นการเชีย่ยเห็นว่าความเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นจากพยานเกิดขึ้นจากหลักการ วิธีการการตรวจสอบการวิเคราะห์วิจัยการกําหนดเนื้อหาธรรมะให้เหมาะควรแก่จริตแก่อัธยาศัยของบุคคลเหล่านั้นซึ่งคนที่จะทรงแสดงธรรมะจะเลือกประเภทที่เรียกว่าเวนยะคือพูดกันรู้เรื่องหรือพอจะแนะนําให้เข้าใจธรรมะเพื่อบปปรรลุประโยชน์ทั้งสประโยชน์นั้นประโยชน์ใดประโยชน์หนึ่งได้พระพุทธคุณบทนี้ จึงมีผลในการน้อมนำจิตให้เกิดความสงบเสริมสร้างศรัทธา菩萨ทะและเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติการฝึกปลืออบรมทั้งตนเองและบุคคลอื่นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบซืบต่อไป